ความสุขที่พึงเน้นสําหรับคนทั่วไปเริ่มตั้งแต่ในบ้านเพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือใช้งานควรเน้นความสุขในสามเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสบ่อยคือเรื่องการมัสุขเรื่องความสุขทางสังคมและเรื่องความสุขในการพัฒนาของชีวิตความสุขของคนทั่วไปที่ตรัสบ่อย ก็คือเรื่องการมาสุขเพราะเกี่ยวข้องกับมนุษย์ส่วนใหญ่หรือชาวบ้านชาวเมืองและมวลชาวโลกเป็นความสุขสนองผัสสะอาศัยการเสพพึ่งพาขึ้นต่ออามิธวัตถุเป็นความสุขจากการได้การเอาเพื่อตัวเองให้แก่ตัวเองให้ตัวเองได้เสพซึ่งเมื่อคนปฏิบัติต่อมันไม่ถูกบริหารไม่เป็นจัดการไม่ดี ก็เป็นบ่อกเกิดของปัญหาสารพัดในโลกนี้ที่ขัดแยง้งแย่งชิงเบียดเบียนข่มเหงกันตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับโลกจึงต้องย้ำว่าถ้าจะแก้ปัญหาของมนุษย์ให้ตรงจุดให้ได้ผลก็ต้องแก้ที่นี่คือให้มนุษย์พัฒนาปัญญาที่รู้เท่าทันและบริหารจัดการกามาส่นี้ให้ถูกต้องให้ถูกทางอย่างน้อยให้คุณเนื้อโทษ ให้การเกื้อกูลเหนือการเบียดเบียนอย่างไรก็ตามเรื่องการมาสุขได้พูดไวในบทก่อนพอสมควรแล้วในที่นี้จึงอ้างถึงไว้ให้รู้จุดเน้นเพียงแค่นี้ความสุขอย่างที่สองที่เน้นคือความสุขทางสังคมที่ว่าเป็นความสุขจากความเป็นมิตรมีไมตรีจิตมิตรภาพ การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยเมตตากรุณาเป็นต้นถ้าว่าดูหลักธรรมหลักใหญ่สำหรับความสุขข้อนี้ก็ได้แก่พรหมวิหารสี่และสังฆะวัตถุสี่ถ้าจะให้สังคมประชาธิปไตยมั่นคงก็ไปให้ถึงสารณียธรรมหกกันเลยความสุขทางสังคมนี้โดยพื้นฐานย่อมมุ่งไปที่หลักพรหมวิหาร ซึ่งได้อธิบายความหมายไปแล้วแต่ในที่นี้จะพูดอีกครั้งโดยเน้นเชิงปฏิบัติเหมือนให้เห็นตัวอย่างโดยจับที่จุดแกนคือในบ้านหรือในครอบครัวเริ่มต้นที่ความสุขของคุณพ่อคุณแม่เมื่อเห็นโลกอยู่ดีมีสุขเวลาอธิบายเรื่องโรมิหารสีคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบคาก็จะยกเรื่องพ่อแม่มาเป็นตัวอย่าง อธิบายเริ่มที่พ่อแม่เพราะธรรมชาติเอื้ออยู่แล้วให้พ่อแม่มีคุณธรรมชุดนี้โดยเฉพาะแม่นั้นถือเป็นแกนในคำพีจึงยกแม่เป็นหลักในการอธิบายตามปกติท่านยกแม่ขึ้นมาเป็นตัวอย่างว่าแม่อยากให้ลูกมีความสุขเห็นลูกร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยสมใจตัว นี่คือได้สนองความต้องการพื้นฐานที่อยากให้ลูกมีความสุขแล้วแม่ก็มีความสุขความต้องการหรืออยากให้ลูกสมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขอย่างนี้เรียกว่าเมตตาที่นี้พอลูกเจ็บไข้ได้ป่วยแม้แต่นิดหน่อยแม่ก็มีจิตใจวันไหวทนอยู่ไม่ได้ก็ร่วมกับพ่อ ต้องไปหาทางแก้ไขบําบัดเยียวยาลูกไอ้หายเจ็บหายไขย้หายป่วยให้ได้ถ้าลูกยังไม่หายทุกยังไม่กลับเป็นสุขแม่และพ่อก็สุขไม่ได้พอลูกหายป่วยเป็นปกติขึ้นมาแม่และพ่อก็สมใจสมปรารถนาได้สนองความต้องการที่อยากให้ลูกมีความสุขแล้วแม่และพ่อก็มีความสุข ความต้องการหรืออยากให้ลูกพ้นคลายหายจากทุกข์กลับฟื้นขึ้นมาเป็นสุขอย่างนี้เรียกว่าการุณาและถ้าลูกเติบโตเจริญงอกงามมีรูปกายสดสวยงดงามประสบความสาเร็จในการศึกษาสอบได้คะแนนสูงหรือได้งานดีมีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่คือดียิ่งขึ้นไปแม่และพ่อก็สมใจสมปรารถนา ได้สนองความต้องการที่อยากให้ลูกเจริญงอกงามมีความสุขยิ่งขึ้นไปแล้วแม่และพ่อก็มีความสุขความต้องการหรืออยากให้ลูกเจริญงอกงามมีความสุขยิ่งขึ้นไปโดยพลอยมีใจยินดีเบิกบานมีความสุขไปด้วยอย่างนี้เรียกว่ามุทิตาถึงข้อนี้ว่าโดยทั่วไปพ่อแม่ทำกันได้ครบ แต่ครบแค่นี้ยังไม่พอครบในข้อที่พูดมาแล้วเท่านั้นยังไม่ครบรมวิหารได้แค่โอ๋ยังไม่ช่วยให้ลูกเติบโตรจริงถ้าใช้ศัพ์สมัยใหม่ก็ว่าอาจจะไม่ได้บุตรีภาวะถ้าหนักหน่อยก็บอกว่าจะได้แต่ลูกแง่อ้อนเอากับพ่อแม่เรื่อยไปจึงถึงข้อที่สี่ให้ไม่ลืมว่าอุเบกขาต้องมาด้วย พูดรวบรัดว่าในสถานการณ์หรือกรณีที่ลูกจะต้องฝึกหัดรับผิดชอบชีวิตของเขาเองก็ดีคนรรับผิดชอบการกระทำของตนเองก็ดีถึงเวลาที่เขาจะรับผิดชอบชีวิตของเขาแล้วก็ดีพ่อแม่ต้องยอมปล่อยไม่ทำให้เขาแต่ดูให้เขาทำให้เขาดำเนินชีวิตกิจการไปตามวิธีด้วยตัวเขาเองไม่เข้าไปขวนขวายก้าวกายแทรกแซง นี่ก็คือตั้งแต่ลูกตั้งไข่หัดเดินไปจนถึงลูกแต่งงานแยกบ้านไปตั้งเรือนดูแลรับผิดชอบครอบครัวของเขาท่านมักยกตัวอย่างตอนลูกออกเรือนมีครอบครัวของเขาเองแล้วอย่างนี้ว่าเมื่อลูกโตรับผิดชอบตัวเองได้แล้วเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็อย่าเที่ยวไปยุ่มยามแทรกแซงในบ้านของเขาไม่ใช่คอยบอกว่าในบ้านของลูกเนี่ย ต้องจัดอย่างนั้นต้องจัดอย่างนี้เอานั่นออกไปเอานี่เข้ามาเที่ยวข้าไปวุ่นวายทุกอย่างคิดว่าอยากให้ลูกมีความสุขลูกเลยสุขไม่ได้กลายเป็นตัวเองไปเป็นเหตุให้ลูกมีทุกข์ให้ลูกตัวกับลูกแต่งขัดแยง้งหรืออึดอัดกันเมื่อมีปัญญารู้อยู่แล้วว่าลูกเราโตแล้วก็รับผิด ช, ชอบตัวเองได้และถึงเวลาที่เขาจะต้องรับผิด ช, ชอบตนเอง เราก็คอยอยู่มองด้วยปัญญาว่ามีอะไรจะต้องเกื้อกูลช่วยเหลือปัญหาก็จึงไปทําคอยดูอยู่ไม่ใช่ทอดทิ้งและเป็นที่ปรึกษาให้แต่ไม่เข้าไปยุ่มย่ามแทรกแสงอุเบกขาทําหน้าที่ตรงนี้ความต้องการหรออยาให้ลูกอยู่ในความถูกต้องสมควรตามเหตุผล ไม่ทำความผิดพลาดเสียหายดาเนินไปตามธรรมโดยมีใจเป็นกลางวางเรียบนิ่งไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงลงตัวอย่างนี้นี่เรียกว่าอุเบกขาข้ออุเบกขานี้ควรย้ำต้องให้ชัดเพราะคนมากมายไม่ค่อยเข้าใจหรือเข้าใจผิดไปเลยแล้วใช้ไม่เป็นไปกันไม่ค่อยถึงบอกแล้วว่าอุเบกขาเป็นที่บรรจบ ของความรู้กับความรู้สึกเป็นที่ดุลระหว่างรู้กับรักเป็นที่จิตใจประสานกับปัญญาสามข้อแรกตั้งแต่เมตตาก็ต้องประสานกับปัญญาต้องใช้ปัญญาแต่นั่นก็คือแนะนำว่าต้องใช้ควรใช้ควบคู่กันไปจึงจะได้ผลดีแต่ในทางปฏิบัติจริงจะเอาปัญญามาใช้หรือไม่ก็ไม่แน่ เจนรักอย่างไรปัญญาก็มีส่วนข้ออุเบกขานี่เกิดจากปัญญาเลยทีเดียวปัญญามาจึงมีอุเบกขาได้ถ้าปัญญาไม่มาอุเบกขาโดยไม่เกิดจากปัญญาก็ไม่ใช่อุเบกขาแท้เป็นอุเบกขาเทียมเรียกว่าเฉยงโง่ในแง่ที่อุเบกขามาดุล พึ่งทราบว่าสามข้อแรกทำให้เด็กพัฒนาด้านความรู้สึกมีจิตใจดีหรือที่เวลานี้นิยมเรียกว่าพัฒนาด้านอารมณ์ถ้าไม่มีความรักมีมยตรีรู้จักสงสารเห็นใจคนอยากช่วยเหลือร่วมมือเป็นต้นแต่ถ้าขาดอุเบกขาเสียดุลพ่อแม่กลายเป็นเอาแต่รักเอาแต่โอบเด็กนอกจากทาให้เด็กอ่อนแอแล้ว เขาก็จะคอยแต่รอรับถ้าเอียงมากก็กลายเป็นนักเรียกร้องกลายเป็นคนเอาแต่ใจตัวต้องให้คนอื่นเอาใจเห็นใจคนอื่นไม่เป็นเป็นต้นนี่แค่ตัวอย่างที่นี้ด้านสำคัญอุเบกขาเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาโดยเฉพาะในเรื่องสติปัญญาความเข้มแข็งเก่งกล้าสามารถความรู้จักรับผิดชอบ ที่จริงพ่อแม่เลี้ยงลูกจะให้ลูกพัฒนาเริ่มแต่ให้เขาทำโน่นเป็นทำนี่ได้ด้วยตนเองก็ต้องใช้อุเบกขาอยู่แล้วแต่มักไม่สังเกตและไม่รู้จักใช้อุเบกขาให้ได้ประโยชน์สูงสุดเอาง่ายๆคุณแม่มีเมตตารักลูกมากลูกยังเล็กมากก็ป้อนข้าวป้อนน้ำให้แต่แน่ละ่ะตามความถูกความควร เด็กจะเติบโตขึ้นไปก็ต้องกินอาหารเป็นใช้ช้อนใช้ซ่อมใช้จานชามเป็นรับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้คุณแม่ป้อนไปป้อนไปและถึงเวลาหนึง่งปัญญาก็บอกว่าเอาละต่อไปนี้ลูกควรจะกินเองได้ควรใช้ช้อนเป็นเป็นต้นคุณแม่ก็บอกลูกให้รู้วิธีจับวิธีใช้ช้อนให้ลูกลองทำเอง คุณแม่ก็หยุดไม่ป้อนปล่อยคอยดูลูกทำดูแลให้เขาทำได้เองนี่คืออุบเบกขาแม้ต่อปอกผลไม้ปอกกล้วยเป็นต้นคุณแม่เคยปอกให้ใส่ปากต่อมาก็บอกก็ดูให้ลูกทำได้ทำเป็นเองถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่หยุดแค่ขั้นเบื้องต้นแค่นี้ก็ใช้ปัญญาต่อไปว่าลูกเราควรทำอะไรเป็นบ้าง ควรทำเก่งในเรื่องอะไรก็ใช้วิธีอุเบกขาเอาเรื่องที่จะฝึกมาบอกเป็นที่ปรึกษาและดูให้เขาทำปล่อยให้เขาทำต่อไปลูกก็เก่งทำได้หมดถ้าอยู่แค่เมตตากรุณาก็ทำให้ลูกทำให้ลูกเรื่อยไปถ้าอุเบกขามาก็ทำให้ลูกดูแล้วก็ดูให้ลูกทาให้ลูกทำเรื่องก็อย่างนี้เอง ถ้าใช้แค่เมตตากรุณาก็ได้ความสุขที่ลูกสุขสมปรารถนาเฉพาะหน้าไปทีหนึ่งทีหนึ่ ง, งแต่ถ้ามีอุเบกขามาคุมมาดุลก็จะได้ความสุขที่ยืนนานระยะยาวเพราะได้เห็นลูกพัฒนามีความสามารถก้าวไปด้วยดีในวิถีชีวิตที่ยาวไกลในโลกอันกว้างใหญ่เป็นอันว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างของการนำบ้านนำครอบครัวให้มีความสุขเชิงสังคม จะต้องพัฒนามนุษย์ให้มีธรรมะชุดนี้โดยเฉพาะเข้าใจและใช้อุเบกขาให้ถูกต้องมองอย่างกว้างอุเบกขาต้องการธรรมะต้องการความถูกต้องให้หมวลมนุษย์ที่เรารักเราปรารถนาดีนั้นมีธรรมะมีความถูกต้องมีความไม่ผิดพลาดซึ่งเป็นความปรารถนาดีอย่างสูงสุดและเมื่อสมปรารถนาสมใจของเรา ตัวเราก็จะมีความสุขที่พระนิลึกซึ้งยืนยาวและแท้จริงเมื่อบ้านดีครอบครัวมีความสุขอย่างถูกทางถูกทำอย่างนี้บ้านนั้นครอบครัวนั้นก็เป็นหน่วยแกนที่จะร่วมสร้างกันขึ้นเป็นสังคมที่จเจริญงอกงามมีความสุข